สิบแปดนิพิทายานการเห็นโลกน่าเบื่อเป็นบรรัญญาเรียกว่านิพิทายานนิพิทากับโทสะไม่เหมือนกันนิพิทาเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายน่าเบื่อไปหมดไม่เห็นมีที่พึ่งที่อาศัยตรงไหนเลยเหมือนเราตกอยู่กลางกองไฟตรงไหนก็อยู่ไม่ได้น่าเบื่อไปหมดแต่ถ้าโทสะจะเกลียดอันหนึ่งรักอันหนึ่งไปเรื่อยๆไม่เหมือนกัน ถ้าภาวนาถูกต้องจะเห็นโลกนี้จืดโลกนี้น่าเบือ่อไม่เห็นมีอะไรเป็นที่พึ่งอาศัยได้สักอย่างเดียวแล้วก็ดูไปอีกถ้าใจไม่เป็นกลางต่อสภาวะธรรมก็รู้ทันพอใจเป็นกลางเราก็เห็นความน่าเบือ่อก็สวนความน่าเบือ่อจิตก็เบิกบานขึ้นมาเราก็จะเห็นอีกความน่าเบือ่อเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับจิตเป็นกลางต่อทุกสภาวะถ้าเราภาวนาผ่านมาถึงตรงนี้ก็สบายละ ตรงที่บางคนเบื่อจับจิตจับใจเลยบางคนเบื่อมากๆฆ่าตัวตายก็มีสมัยพุทธกาลมีพระฆ่าตัวตายเป็นร้อยๆเลยถึงเกิดพระวินัยข้อหนึ่งว่าห้ามฆ่ามนุษย์ต้นบัญญัติห้ามฆ่ามนุษย์นี่ไม่ใช่ฆ่าคนอื่นนะแต่ห้ามฆ่าตัวตายเพราะเป็นรอยต่อรอยผ่านยิ่งถ้าไปรู้กายดูกายมากๆแล้วจะเบื่ออย่างรุนแรงบางทีเกลียดสติปัญญารู้ไม่ทันโทสะมันแทรกยังดูจิตถ้าเบื่อเบื่อโทสะแทรกเรารู้ทัน ถ้าโทสะไม่มีเรารู้ด้วยความเป็นกลางก็ใช้ได้จะเห็นว่าความเบื่อก็ไม่ได้แตกต่างจากสภาวะธรรมอื่นๆเลย